ข้อความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังเทงลายแต่ร่มประสิทธิญานในวันนี้ก็คงย้อนกลับมาสู่เนื้อหาสาระในอริยสัจทั้งสี่ประการต่อไปัอย่างที่ได้บอกท่านทั้งหลายไปว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วธรรมะทั้งปวงนั้นหรือวาสากลและโลกทั้งปวงนั้นก็คือเรื่องของอริยสัจทั้งสี่ประการ แต่ว่าเวลาทรงเน้นแสดงก็ ย, กยาก่า้เปลี่ยนแปลงไปตามพื้นฐานของผู้ฟังที่เราเรียกธรรมะระดับประสูตร์ว่าอนุโลมเทศนาคือประธรมเทศนาที่ทรงแสดงคล้อยตามพื้นเพจริตอัธยาสัยวัสนารมบารมีของผู้ฟังในกรณีนั้นๆวันก่อนโน้นคือ ปลายเดือนเมษายนก่อนที่จะแวะเข้าไปเรื่องสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนานั้นเราก็พูดมาถึงประเด็นของทุกขสมุทยัยมาเกิดขึ้นมาจากอะไรบ้างในพระธรรมจั ก, กรวตราสูตรนั้นไม่ได้ได้ให้นัยยะที่วิจิตพิสดาลไว้แต่ว่า ทรงให้นัยะพิสดารไว้ที่มาสติปัฏฐานสูตรเป็นต้นคือทรงแสดงเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วตัณหาทั้งสามระการเนี่ยเม่จะเกิดหรือไม่จะตั้งอยู่อาจจะเกิดที่อายตนะภายในหกอายตนะภายนอกหกวิญญาณหกสัมผัสหกเวทนาหก ปีตก6วิจารหกตันหาหกก็เกิดขึ้นตรงใดก็ได้แต่ว่าอาการเหล่านี้ที่จริงเป็นอาการแต่ละขนาดเาต้องพังลองสังเกตสมมติว่าเราเห็นคนที่เรารักแต่ไกลเนี่ยรู้สึกดีใจทันทีรู้สึกเป็นสุขที่ได้พบคนซึ่เรารัก ในกระบวนการตรเนี้ที่จริงมันผ่านกระบวนการมาเยอะแล้วมาจนเกิดเป็นสุขเวทนาแล้วบางครั้งก็แรงของตัญหาคืออยากจะพบเนี่ยมันผลักดันเราวิ่งวิ่งไปหาเขาเลยตอนนั้นการที่ส่งแสดงให้เห็นเช่นนี้ก็ค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็จับ ยากกันนะก็เพื่อให้บุคคลใช้สติเป็นตัวหลักในการระลึกแล้วก็ถ้าเห็นว่ามันเป็นทางเกิดสมุทัยเนี่ยมันก็แค่จัดออกไปเพราะอะไรเพราะว่าในจริงๆเนี่ยเวลาเกิดนิโรธมันก็เกิดในในที่เดียวกัน หมายความว่ากิเลสเกิดในที่ใดนิโรธก็เกิดในที่นั้นสมุทัยเกิดในที่ใดนิโรธก็เกิดในที่นั้นแต่พอนิโรธเกิดมันก็สมุทัยก็ดับแต่ว่าตราบใดที่เรายังเป็นสามัญชนอยูนะ่มันก็เกิดสลับกันไปพราอจริงกิเลสเราก็ดับไม่หมดเมื่อดับไม่หมดความทุกข์ก็ยังเหลืออยู่ แนวนิโรดนั้นเคยพูดไว้ตั้งแต่วันแรกที่ไม่ใช่วันแรกตั้งแต่เข้ามาในธรรมจักรตอนแรกๆกที่ทรงใช้คำว่ากัตมาะทราภิกเวมัทิมาปฏิ ป, ฏปดาททธาเกตณนภิสมุทาจากขุกรณียานะกณีเป็นต้นเนี่ยฮะก็เป็นใจความว่าด้วยอริมัติองแปด ที่พระองค์ได้สัสรู้มาเนี่ยมันก็ได้สร้างดวงตาได้สร้างญาณแล้วก็สร้างความสงมบขึ้นภายในจิตใจที่ทรงเรียกว่าญ า, า, กาณกันีคือว่าได้สร้างญาณขึ้นจากขุกันีก็สร้างดวงตาขึ้น แล้วพอสรางดวงตาขึ้นแล้วมันก็เป็นอะไรละ่ะอภิน ญ, ญายะคือเกิดความรู้ยิ่ง อ, อุปสมายะก่อนอุปสมายะเกิดเกิดความสงบแล้วเกิดความรู้ยิ่งเกิดความรู้ดีแล้วเกิดความดับขึ้นไปเรื่อยแต่และอย่างเนี่ยมันก็หมายถึงตัวเหตุบ้างหมายถึงตัวผลบ้างเพราะว่าภาษาในเรื่องนิพพานเนี่ยมันเป็นภาษาที่อธิบายยากนะมันเป็นภาษาใจ วันก่อนก็มีอาจารย์ในร่วมสอบสอบพิทยานิพลปัญญาโทท่านก็ถามว่าให้อธิบายธรรมะเป็นรูปธรรมได้ไหมบอกว่าที่จริงถ้าเต็มที่และอธิบายยากแต่ว่าสังเกตจากอาการนะได้แล้วก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าเหมือนกับเปรี้ยวหวานมันเค็มเนี่ยหอมเหม็นเนี่ย เราจะอธิบายได้ไหมนอกจากว่าเราจะดมมาเองเราจะต้องดูเองเราจะต้องกินเองแต่ว่าถ้าเราสังเกตเนี่ยสังเกตได้เช่นว่าคนนี้มีศีลไหมมันก็ดูว่ามีเหตุในเรื่องละเมิดศีลแล้วเขาละเมิดไหมละ่ะแต่เขาไม่ละเมิดก็แสดงว่าเขาก็มีศีลดูแต่การมีศีลนั้นของนั้นอาจจะราคาไม่มากก็ได้แก่ก็ไม่โลภ พอของมากขึ้นมาเนี่ยแกอาจจะโลกก็แสดงว่าศีลแกขาดก็ได้ก็แล้วแต่ทีนี้ไอความสงบบางอย่างเนี่ยเขาก็จริงโดยสังเกตยากนะเพราะอะไรเพราะว่าสัตว์โลกนี่มันมีมายามันมีเสแสร้งมันไม่โอ้อวดมันมีแข่งดีอาการที่ปรากฏมันขัดแย้งกันหมดแต่ว่าคนสังเกตอาการขัดแย้งไม่ออก ในขณะที่ปากพูดอย่างหนึ่งใจคิดอย่างหนึ่งเนี่ยและเวลาทําก็ทําอีกอย่างหนึ่งซึ่งบางครั้งนี่งงตะวันก่อนมีการนิมนมต์อาตมาไปออกรายการทางช่องห้าถึงเช้านี้อะไรเนี่ยเช้า ว, วันนี้อะไรตงนนั้นนะไม่เคยฟังเป็นเด็กเสียงเด็กผู้หญิงโทรศัพท์มาก็คงจะไม่เด็กอะไรนะครับ ก็เมื่อก่อนก็ตั้งใจว่าจะไปอะแต่ปรากฏว่าวิทยากรที่จะมาร่วมกันไปปลายเนี่ยคือไปกล่าวอ้างสนิสนมคุ้นเคยกาตมาอย่างนั้นเคยไปบรรยายด้วยกันเคยไปทําอะไรด้วยกันเลยแต่ไปไ ป, อ, ไปอ้างเงินยุงย่งยุ่งไปหมดเลยามาเล่าฟังบอกเอวเพียงขนาดนั้นเราไม่เคยไปบรรยายอะไรกับเขาเลยนะฮะแล้วเคยพบกันที่หมาต ะ, ะเลขาการค้า C หนึ่งแลนอกจากนั้นก็นานนะฮนะตั้งแต่เขาเป็นเนนเะนี่ยเคยพบ C หนึ่งมันไปเป็นตูกเป็นต่าเอเข้าไมคนไปพูดจาอย่างเง้นแล้วถ้าเราไปไปออกรายการโทรทัศน์ร่วมกับขาแล้วภาพเนี่ยมันอยู่ในวิดีโอเนี่ยเขาก็อาจจะนำไปใช้หาประโยชน์ในทางอื่นเราก็เสียคือไม่นึกเลยเนะ่ แล้วถ้าให้งงแบบบอกโอ้โ ห, โ, หโลกมนุษย์เนี่ยมันดูเดือดเดือดอพลาดนะเก่ง น, น, นั่นคืออะไรคือมุ่งแต่ประโยชน์ที่ตัวเองจะได้เพราะในการแสดงที่เราสัมผัสเนี่ยหน้าอิ ด, ดูหน้าเมตตาแต่พอเจอควาจริงเราก็สะดุ้งได้ก็ไม่ได้เจอต่อหน้าหรอกเจอพฤติกรรมที่เขาไปอ้างกล่าวอ้าง เราอ้างอัตมาแดสดงชนิความหนุนคืนคุยเป็นพวกเดียวกันจอมากลัวนะเวลเนี้ยที่ไม่ใช่ไม่ใช่เวลานี้ที่จริงตั้งแต่ไหนจะไรมาคือไม่ยอมมีนำบัตรกใครๆเพราะขนาดเราไม่มีนำบัตรเนถูกกล่าวไปอ้างเยอะเกินไปขอเรียบร้ยบ้างไปชวนทอดผ้าป่าบ้างทอดกระถินบ้างเราก็ไม่เคยทอดผ้ป่าทอดกระถินนี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นการสังเกตคนนีธรรมะในบางทีสังเกตยาก ธรรมะจึงเป็นผลประจักษ์เฉพาะตัวตามระยะของภาษากระกคุณที่ท่านบอกเนี่ยและไม่ธรรมคุณสันติโกคือผู้บรรลุจะพึงเห็นได้เองแล้วก็ปัจจตังเวดีตบโมโยหิบินยูชนจะรู้ได้เฉพาะตนเพราะนิพพานเนี่ยมันจะมีลักษณะอย่างนั้นนิพพานมันเป็นตัวผลผลมันประจักษ์แก่ใจของเรา แต่ว่าผลเราเนี่ยอย่าลืมนะฮะความทุกข์ด้วยมันก็เป็นผลแต่ถามว่าเราสังเกตทุกข์ได้ไหมก็พอได้นะแต่อย่าลืมบางคนก็เสยแรกมายาเอาได้เหมือนกันทําเป็นทุกข์ทเป็นทุรนทุรายทําเป็นบาดเจ็บทําเป็นอะไรต่างก็ทําได้นะฮะคนเนี้ยเพราฉนั้นเรื่องนี้จึงสังเกตไม่ได้เต็มทั้งร้อยนะแต่ว่า โอกาสชิงเนี่ยมันก็มีอยู่เพียนแต่ว่ามากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นใครข้อความที่ทรงแสดงในพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรตอนแรกๆหลังจากทรงปฏิเสธทางที่ไม่ควรเสดสองประการแล้วเนี่ยก็ทรงแสดงว่าเอเตเตภิกเวอุโพอันเตอนุประคะมะ ลูกรรพิกษูทั้งหลายข้อปฏิบัติอันเป็นกลางไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นนั้นอันตรถาคตได้สัตว์สู้แล้วด้วยปัญญายิ่งจากการจัสวรู้มันสร้างอะไรขึ้นมาจากคู่กรณีจากคูกกค่กรณีนั้นเป็นผลรวมนะฮะเป็นผลรวมของการปฏิบัติให้สมบูรณ์ในริมมค์มีองแปดระการ คือทำดวงตาดวงตาในที่นี้ที่จริงไม่ใช่ตาเนื้อนะะเป็นตาในเป็นตาปัญญาเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันไปทำลายตัวอวิชชาออกไปจากใจแล้วคำต่อไปก็ซ้ำนะยาณะกรณีคือทำยานเป็นเครื่องรู้ยานกับปัญญาเนี่ยยานกับจักขู่ที่จริงเดียวกัน น, นะ่นะแต่ว่าบางแห่งในจักสู่ก็กรอบเขามากกว่าคือเขาหมายถึงตาเนื้อก็ได้ แต่ในที่นี้หมายถึงตายในนะฮะตายปัญญาญาณ ก, กันนีก็กระทํายานเครื่องรู้ตรงนี้ท่านที่คุ้นเคยธรรมะในระดับนะคํายันโทนะฮะจะเห็นว่าตรงเนี้ที่จริงก็คือสมาญาณแปลว่าความรู้ในทางที่ชอบทีนี้ความรู้ในทางที่ชอบมันเกิดตั้งแก่พระแก่พระยะบุคคลทั้งหลายเนะี่ย ตัง้งแต่ผสมดาบันไปต้นไปแต่ว่าเกิดมากเกิดน้อยคล้ายๆกับแสงไฟเนี่ยครมันขจัดมืดโดยธรรมชาติของมันแต่ปัญหาว่าสว่างมากสว่างน้อยแหละถ้าสว่างมากก็ขจัดมืดได้มากหน่อยสว่างน้อยก็ขจัดได้น้อยหน่อยเพราะสมาญาณข้อนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นยังเหตุที่งเกิดยาณเนี่ยมีข้อแม่นะฮะมีข้อแม้อย่างเดงว่าอย่างน้อยเนี่ย ศีลต้องสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณญาณก็เกิดขึ้นมาได้เป็นญาณที่ทำให้ผู้รู้บรรลุเป็นพระโสดาปฏิผลได้แต่ว่าตรงนี้ที่พระเจ้าทรงแสดงเนี่ยหมายถึงการจัสรูของพระองค์ก็แสดงว่าสมบูรณ์แล้วก็ย่อมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบถามมาสงบอะไรก็สงบกิเลสภายในสงบพวกัญหาทั้งหลายที่ว่าเนี่ยนะฮะ หมายความว่าต่อแต่นั้นแม้ตาจะเห็นรูปนผัวจะฟังเสียงจะหมูกจะดมกลิ่นลิ้นจะลิ้มรสกายจะถูกต้องโยนใจร้อนอ่อนแข็งใจจะเหนี่ยวนึกถึงอารมณ์ทั้งหลายก็ตามแต่จะไม่หวั่นไหวไปด้วยอํานาจของความรักความชังแต่มีปัญญาเข้ากํากับรู้เท่าทันเรืองความจริงแห่งอารมณ์เหล่านั้นนั่นคือจุดต่างที่มันต่างกันของสามัญชนกับพระยาบุคคล ว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วพระยะบุคคลกระซามัญชนมันไม่ได้ต่างอะไรกันเนี่ยนะในชีวิตประจําวันเนี่ยท่านก็ต้องเห็นรูฟังเสียงดงกลิ่นลิ้มรส ถ, ถูกต้องยุดร้อนอนแข็งเช่นเดียวกับเราปวดศกลาบยศสันสริญสูงเสริมลาบเสื่มยศนินทาทุกเช่นเดียวกับเราอนะเพียงแต่ว่ามันมีปัญญาเข้ารู้ทันคือเจา้าทรงแสดงไว้ในโลกธรรมสูตรเป็นข้อความโดยสรุปว่าโลกธรรมเนี่ย มันจะเกิดขึ้นแก่ผู้ทุชนในพระยาบุคคลเช่นเดียวกันจุดต่าง ม, มันอยู่ที่ไหนคือเมื่อพืพ่พวกเหล่านี้เกิดขึ้นแก่ผู้ทุชนเยผู้ไม่ได้สดับธรรมของพระยะไม่ได้ศึกษาธรรมของพระยะไม่ปฏิบัติธรรมของพระยะเนี่ยก็จะไม่รู้เห็นนำความจริงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ในความแปรปรวนเปลีป่ย น, น, นแปลงไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นอีตอนเกิดด้านบวกเนี่ยก็ดีใจพอด้านลบเลยจะเสียใจ แต่ว่าการเรียบบุคคลบนสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยปัญญามันจะเกิดขึ้นกำกับในสันชวีว่าสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นแล้วกแก่เราแต่สิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ในความเปรตป่วนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาผลเกิดก็เกิดตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ดับไปก็ดับไปแล้ววันก่อนเนไปไปชุมแล้วก็ ป, ป, วกประธานเนี่ยท่านอายุท่านหกสิบท่านอะไรนะเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดเจ็สิบแปดนะ แต่ทางก็ประรบขึ้นมาบอกว่าถ้าไม่ตายแต่ก่อนบอกเออดีนี่พูดดีมันมีโครงการงานเดี๋ยวโครงการหนึ่งมันกำหนดได้เป็นค่าใช้จ่า ย, ายตั้งอีกสองปีข้างหน้านะบอกเออแล้วสมมติว่าเกิดตายจะทําไงก็ น, นั่งคิดนะฮะไม่ได้พูดก น, นั่งคิดเออถ้าตายจะทําไงเพราะงั้นมั น, ม, นมันเป็นเรื่องต ร, ง, ร, ง, รงเนี้ยจริงๆเนี่ยมันไม่นีมิตไม่มีนิมิต ไ, ไม่มีเครื่องหมาย แต่เราเป็นเป็นผู้ชนเราก็อ่อนไหวจะถามพระอริยชนละ่ะตายก็คือตายอ่ะตายก็คือตายท่านไม่ได้ยินไม่ได้อะไรไม่ได้ ย, ยดินดีต่อสิ่งนั้นก็จิตมันสงบหมดเลยเขาขัวให้กลัวก็ส ง, งบเขายั่วให้อยากก็ส ง, งบนะเขาคุกคามด้วยจะฆ่าจะทําอันตรายเนี่ยมันก็ไม่หวั่นไหวอะ่ะ ที่นี้พวกนี้ที่จริงมันตั้งแต่ปัศสดาบันไปแล้วนะฮอย่างท่านันชานีพราหมณีเป็นพัญญาของพระรัตวราชาพราหมณสองพ่อเมียนักถือาศาสนาต่างกันพัญญานักถือพระพุทธเจ้าสามีนักถือพวกนิคนพวกจีบวดเอ่อพวกนัก บ, บวชเปลือยวันหนึ่งสามีก็เชิญพวกนัก บ, บวชเปลือยนี่มาที่บ้าน ก็เรียกพัญญาให้ไปอช่วยเลี้ยงดูในฐานะที่เป็นพัญญาเนี่ยท่นานก็ทําหน้าที่พัญญาแต่ไม่ได้สตาร์เลื่อมใสอะไรหรอกแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยสามีก็สั่งไว้ว่าวันนี้ต่อหน้าพวกพราหมเนี่ยเธออย่าไปกล่าวนะมัสการพระสมณโคดมนะนโมตศเพราะว่าตัวราตัวสมมาสมพุทส่านี่ว่าไม่ได้วันนั้นเนี่ยแกก็บอกไม่รู้นะ แกก็ไม่รับปากหรอกพอดีมันเกิดสะดุดมุมเสือเธอก็ปูไว้เนี่ยท่านก็เกรงเลยนโละโมตัสสะเลยพรามก็กโกรธพวกที่ได้รับเชิญมานี่กโกรธไม่ยอมกินข้าวทิ้งถ้วยชามหนีไปเลยดาวาเป็นการใดเห็นไหมมันไม่สงบเลยสามีก็กโกรธพัญญาไม่จะทำยังไงชักบ่าขึ้นมาทุกฟัน ปัญดาก็บอกฟันีิคุณก็ฆ่าฉันได้เฉพาะร่างกายคุณจะฆ่าจิตใจฉันไม่ได้หรอกครามสามีเลยไม่รู้ทำยังไงเลยแล้วจบลงด้วยสามีเก่งกว่านะฮะบรรลุมรรคผลเป็นพระหันในตอนหลังอันนี้ก็คืออุปสมะคือมันสงบสงบแล้วเนี่ยมันเกิดอภินญญาะเขา เ, เรียกว่าเพื่อความรู้ที่ยิ่งขึ้น ความรู้ตรงนี้บางทีเป็นการจัดสรุปเลยก็มีนะฮะแต่พอดีนี่ทรงใช้คําหลายคำํำคือสัมโพธายะมันก็กลายเป็นจัดสรุปแล้วก็นิพานายะก็คือดับทีนี้ไอ้ตัวดับเนี่ยตัวเป็นตัวนิพานจริงๆโดยเห็นว่าถ้าเราเรียงตรงนี้ที่จริงมันก็กลายเป็นว่าอริมักไปองแปประการเนี่ยมันก็รวมตัวกันได้เป็นอันหนึ่งอันเดียว เขาเรียกเป็นมักษสามังคีถ้าในกรณีที่สมบูรณ์ปัญญาจาักสุก็สมบูรณ์ญาณก็สมบูรณ์วิชาก็สมบูรณ์เรียกชื่ อ, อยังไงก็ตามเรียกชื่อได้เยอะนะฮะพวกนี้มันเป็นภาษาใจที่ใช้ภาษาหลายๆคำเป็นเครื่องเป็นสื่อเพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วก็มาถึงจุดหนึ่งเนี่ย จิตมันก็สงบหมดกิเลสมันสงบหมดเพราะอะไรเพราะความรู้ที่สมบูรณ์เพราะงั้นคําว่าจะขุกณีก็ดีญาณกาณีก็ดีอภิญญาญะก็ดีสมบทญายะก็ดีเนี่ยมันเป็นตัวสัมมาญาณคือความรู้ในทางที่ชอบอุปสมาญะที่แปลว่าสงบ ม, มัปเปนเป็นผลเห็นผลเกิดขึ้นจากความรู้คือสงบจากกิเลสมันเหมือนกับสว่างแล้วก็ไม่มืด่ ทีนี้ตัวนิพพานญญายะเนี่ยคือตัวนิพพานและตัวเนี้ยคือนิโรธทีนี้ไอ้นิโรธเนี่ยอย่างที่เคยบอกไว้ว่าธรรมะทุกข้อเนี่ยที่จริงมันมีอยู่แล้วในใจคนเนี่ยมีมากหรือมีน้อยนะั่นคือเรื่องใหญ่เดี๋ถามว่ามีหรือไม่มีในจริงตอบได้ว่ามีอย่าน้อยธรรมธาตุคือธาตุของธรรมะเนี่ยมีอยู่แล้วทุกคนแต่ส่วนใหญ่เนะจะมีน้อยเกินไป แต่นั้นท่านก็เวลาเรียงเนี่ยท่านเรียงเป็นรูปวิมุติก็ได้นะฮะปาหานก็ได้นิพานก็ได้ก็แล้วแต่จะเรียกแต่ส่วนใหญ่ที่เราเจอเนี่ยเชือนะ่อปารานะแปลวปารานือแปลวัลละกับชื่อวิชื่อวิมุติวิมุติก็คือจิตที่หลุดพ้นนะ่ะเป็นผลของสัมมาญาณในความรู้ในทางที่ชอบในตรงเนี้ยก็คือนิพานนั่นเองความหมายเดียวกันนิพานแต่ตรงนั้นท่านเรียกว่าวิมุตเพราะนิพานจะมีความหลากหลายในด้านชื่อ นิมมุตข้อแรกเนี่ยท่านเรียกว่ตาตทังกับวิมุตคือหมายความว่าจิตมันลากกิเลสได้บางระดับท้าฟังลองสังเกตว่าทุกวันเนี่ยเราลากกิเลสเยอะนะฮะถ้าปลอกกิเลสเกิดขึ้นมาเท่าไรแล้วละไม่ได้เลยเนี่ยเสร็จหมดแล้วโลกมันดูไม่ได้แร้ การจับยังชั่งใจการบรรเทาความโกรธการไม่ใช้อารมณ์การไม่รู้อํานาจแก่สิ่งยั่วยุยั่วยว น, นต่างๆเนี่ยมันเป็นอาการสงบกิเลสชั่วขณะโดยองค์นั้นๆด้วยเรื่องนั้นๆด้วยกรณีนั้นๆเนี่ยแต่ว่าบางครัง้งบางคราวมันก็ไม่อยู่อย่าเช่นสมมติว่าเด็กทําให้โกรธบางทีไม่โกรธ ไม่โกรธตอนนี้ก็ถือว่าท่าทางกืองมุดมันพ้นกับความโกรธได้เพราะอะไรเพราะเราละความโกรธได้ตอนนั้นนะะ่ะเจ้าะขนาดนั้นแต่ว่าละไม่ได้ตลอดวันหลังเธอทําแรงกว่าเดิมกว่าจะโกรธหรือว่าระดับเดิมนั่นแหละแต่ว่าอารมณ์เราไม่ดีอยู่ก่อนจิตใจขุ่นมัวเศร้ามองอยู่ก่อนก็อาจจะเกิโดโกรธขึ้นมาได้ ตรงนี้ท่านยังเรียกว่าแค่ตาทังกับอาหารคือมันหลุดพ้นด้วยองค์นั้นนั้นละได้ด้วยองค์นั้นๆดีไม่ได้เรา อ, อาจจะสามวันดีสี่วันร้ายแต่ว่าก็ดีกว่าร้ายทุกวันก็พยายามฝึกปลื อ, ล, อ, ล, อลดละอารมณ์ช่วยร้ายลงไปเรื่อยๆตรงนี้ที่จริงเราได้ในชีวิตประจำวันแม้แต่ว่าไอ้การตัดสินใจฟังรายการเนี้ยบางทีก็ไม่ฟังบางทีก็ฟัง การตัดสินใจฟังได้เนี่ยก็แสดงว่าเอาใจเอาชนะความขี้เกียจจะฟังหรือไม่ต้องการจะฟังได้แล้วการปดับเป็นเป็นการดับกิเลสได้ระดับหนึ่งตรงนี้ที่จริงต้องต้องพยายามทำให้มากนะเพราะว่าปัจจุบันอารมณ์ที่มันก็ะแทกกระทันใจในี่มาแรงแรงจนน่าห่วงว่าถึงจุดหนึ่งในภูมิท้าฐานจิตของบุคคลจะไม่เข้มแข็งมากพอแล้วก็จะดึงปัญหามาสู่ตัวเอง แต่ที่ปัญหาจะลดน้อยลงเนี่ยปัญหาอาจจะทัศทวีมากยิ่งขึ้นดังนั้นใต้ร่มประโพธิญาณเนี่ยกขาคือต้องพยายามเข้าห้ใกล้อย่างน้อยก็ได้ลมเย็นจากร่มเงาของพระโพธิญาณซึ่งไม่มีอื่นไปจากการลดของกิเลสและการเพิ่มขึ้นของธรรมะนะครัเพราะว่าความทุกข์ความสุขเนี่ยมันมาจากความทุกข์มมาจากปริมาณกิเลสที่เพิ่มขึ้น ความสุขก็มาจากปริมาณกิเลสที่ลดลงซึ่งก็แสดงว่าปริมาณของธรรมะที่เพิ่มขึ้นนั่นเองก็จะเรียกยังไงก็ตามพวกนี้มันมันจะขึ้นจะลดเมือกระแสงสว่างเกิดขึ้นในจุดใดความมืดก็ลดไปในจุดนั้นความมืดเพิ่มขึ้นในจุดใดแสงสว่างก็ลดไปในจุดนั้นพวกนี้จะไม่มีลักษณะร่วมกันเพราะนั้นนรอดกับสมุทยัยนี่จึงไม่อยู่ด้วยกันอนนี้รอกับทุกเนี่ยมาอยู่ด้วยกันนะนะ แล้วก็มรรคกสมุทรไทยเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยกันในที่ใดมีนิโรธในที่นั้นก็ไม่มีทุกในที่ใดมีทุกในที่นั้นก็ไม่มีนิโรธทุกฟังทั้งหลายแต่รลวงพ่อทิญานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงองามไพรบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่ว ก, กันสวัสดี